สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชื่อพระเยซูตอนที่ห้าร้อยห้าพระเยซูในพระธรรมฮีบรูทั้งที่สิบเมื่อวานนี้นะครับผมจบลงที่ข้อที่หกวันนี้จะขอต่อในข้อที่เจ็ดนะครับโปรดฟังพ้าชนะของพระเจ้าฝ่ายพระเยซูขณะที่พระองค์ทรงเป็นมนุษย์อยู่นั้น พระองค์ได้ทรงร้องอธิษฐานและทูลวิงวอนด้วยน้ำพระเนตรไหลต่อพระเจ้าผู้ทรงสามารถช่วยพระองค์ให้พ้นจากความตายได้และพระเจ้าได้ทรงสดับเนื่องด้วยความยำเกรงของพระเยซูถึงแม้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรพระองค์ก็ทรงเรียนรู้ที่จะนอบน้อมเชื่อฟังโดยความทุกข์ลำบากที่พระองค์ได้ทรงทนเมื่อพระเจ้าทรงทําให้พระเยซูเพียบพร้อมทุกประการแล้วพระเยซูก็เลย ทรงเป็นแหล่งกำเนิดแห่งความรอดนิรันดร์สำหรับคนทั้งปวงที่เชื่อวังพระองค์โดยพระเจ้าได้ทรงตั้งพระองค์ให้เป็นมหาปรุรหิตตามแบบอย่างของเมลทีเซเด็กเพืนะครับเมื่อวานนี้ผมได้จดลงในข้อที่ห้าและข้อที่หกซึ่งเป็นพระธรรมของพระเจ้านะครับพระบิดาได้พูดรับรอง หมายความว่าพระเจ้าได้พูดรับรองพระบุตรพระเยซูว่าท่านเป็นบุตรของเราวันนี้เราได้ให้กําเนิดท่านแล้วในแบบเดียวกันครับพระเยซูก็ไม่ได้ยกย่องพระองค์เองขึ้นเป็นมหาปุโรหิตนะครับแต่เป็นการแต่งตั้งจากพระเจ้าสอดคล้องกับในข้อที่หนึ่งนะครับพระเจ้าแต่งตั้งปุโรหิตแบบมนุษย์อย่างไรพระเจ้าก็เป็นผู้ที่แต่งตั้งปุโรหิตแบบเมลคีเสเดกคือพระเยซูคริสต์อย่างนั้นเพราะฉะนั้น เราเองนั้นเห็นว่าการที่พระเยซูไม่ได้ยกย่องพระองค์งเองขึ้นมาตรงถ่อมใจครับถ่อมพระไทยองค์พระวิจ้าของเราไม่ได้แสวงหาเกียรติหรือเอาตาแหน่งมหาปุโรหิตมาเป็นของพระองค์งเอง <c oughs> แต่ได้รับการแต่งตั้งนะครับโดยพระเจ้านั้นผู้เขียนจึงเอาข้อความนะครับโค้ดจากสรุป ด, ดีบทที่สองข้อเจ็ดนะะ และในข้อที่หกครับของพระธรรมฮีบรูบทที่ห้านี้ได้พูดต่อว่าท่านเป็นบุริหิตเป็นนิดตามแบบอย่างของเมลคีเสเดกตรงนี้ครับผู้เขียนได้ยกมาจากสดุดีบทที่หนึ่งร้อยสิบครับนะฮสดุดีบทบที่หนึ่งร้อยสิบเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเมสซานิกซามเมสซานิกซามนั้นนะครับเมสซานิกมีความหมายว่าพระมาสีหา ฌามก็คือเพลงสรุดดีนั่นหมายความว่าเป็นบทเพลงสรุดดีที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพเมศิยาครับเรียกว่าเป็นคำพยากรณ์ที่เกี่ยวข้องกับพเมศิยาน้องครับในข้อสี่ของสุดดีบทที่สิบหนึ่งร้อยสิบนี้ครับพเมศียานั้นถูกเรียกว่า <c oughs> เป็นปุโรหิตตามแบบอย่างของเมลคีเสดิชาวิวนะครับ ทราบดีครับว่าปุโรหิตในสมัยพมพีเดิมนั้นเป็นตามอย่างของอารุนและคนที่อ่านจุดดีบทที่หนึ่งร้อยสิบเขาก็จะรู้ว่าตำแหน่งมหาปุโรหิตหรือปุโรหิตของพระเมสสิยาจะต้องเป็นตามอย่างของเมลคีเสเดกครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เราจะดูกันนะครับว่าเมลคีเสเดกนั้นเป็นใครนะครับในประถมการบทที่สิบสี่ นะครับสอดคล้องกับในพระธรรมฮีบรูบทที่เจ็ดซึ่งเราจะพูดนะครับในอ่าข้างหน้าเราเห็นว่าเมื่อเราพูดถึงคําว่าเมลคีเสดนั้นเมลคีเสดนั้นเป็นชื่อของปุโรหิตครับแต่ปุโรหิตคนเนี้ยเป็นปุโรหิตที่ลึกลับนะครับและมาแบบเหนือธรรมชาติแล้วก็หายตัวไปนะครับหายตัวไปในที่นี้ก็หมายความว่าหายไปจากอ หน้ากระดาษของพระกัมภีร์นะครับซึ่งเป็นการปรากฏตัวให้อับราฮัมเห็นครับนะฮะและพระัมพีก็บอกว่าอับราฮัมนั่นก็ถวายสิบชักหนึ่งหรือถวายชักสามให้กับมหาปุรหิตหรือปุรหิตคนนี้พี่น้องครับเวลาที่ผมพูดถึงมหาปุรหิตหรือปุรหิตนั้นพี่น้องจะต้องเข้าใจว่ามหาปุรหิตนั้นก็คือมีคนเดียวครับปุรหิตนั้นมีหลายคนได้ แต่อย่างไ้ก็ตามเมื่อพูดถึงโปรหิตแบบพระเยซูหรือมหาโปรหิตแบบพระเยซูก็มีความหมายเดียวกันนะครับเรากลับมาครับว่าเมลคีเสเดกนั้นเป็นโปรหิตที่ลึกลับและเหนือธรรมชาตินะครับปรากฏให้อับ ร, ราฮัมเห็นในบทที่สิบสี่แต่เมื่อเราดูบริบทของปฐมกาลบทที่สิบสี่และฮีบรูบทที่เจ็ดนะครับยืนยันครับว่าเมลคีเสเดกนั้นจริงๆแล้วเป็นการปรากฏตัวของพระเยซู ในสมัยพระกัมพีเดิมก่อนที่พระองค์เสด็จมารับสภาพเนื้อหนังถูกไหงครับนี่คือนักวิจาการเขาได้เสนอความคิดนะครับอาจารย์ชาวยิวคนยิวนะครับที่ไม่ได้เชื่อในพระเยซูแต่เชื่อในเมสสิยานะครับพระมาสีหาซึ่งไม่ใช่เป็นยิวผู้เชื่อนะครับเขาก็ยังยืนยันนะครับว่านี่คือการปรากฏตัวของเมคเสเด็จแต่เมื่อ อาจารย์ชาวยิวเหล่านี้ได้กับใจมาเชื่อพระเยซูแล้วเขาก็จะ ย, ยืนยันว่าการปรากฏตัวของเมลคีเซ่นนั้นคือการปรากฏตัวของพระเยซูนะครับในสมัยเพิ่มผีเดิมพเพียงครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากครับเพราะว่าในเพิ่มผีเดิมนั้นไม่มีใครเคยเห็นพระเยซูนะครับเราเห็นพระเยซูปรากฏในเพิ่มผีใหม่แต่ครับแต่ในรูปลักษณะ ของการปรากฏตัวของพระเยซูนะครับในเพิ่มผีเดิมนั้นเราก็เห็นว่าพระเยซูนั้นนะครับน่าจะปรากฏตัวในรูปของปุโรหิตเมลคีเศเดกนะครับเพราะฉะนั้นตําแหน่งปุริตของพระเยซูนั้นไม่ได้สืบทอดมาจากเชื้อสายของอารอนแต่มาทางเมลคีเศเดกเห็นไหมครับพี่น้องครับเพิ่มผีข้อนี้ ยืนยันนะครับเป็นหลักฐานข้อหนึ่งที่สนับสนุนแนวความคิดนะครับหรือทฤษฎีที่พยายามที่จะให้พระเยซูนั้นคือเมลคีเสเดกเมลคีเสเดกนั้นคือพระเยซูนั่นเองเนะครับผมมาถึงตรงนี้นะครับผมขอยืนยันกับพี่น้องว่านี่เป็นเพียงการสันนิษฐานนะครับการสนิทฐานหรือเป็นแค่ทฤษฎีแต่อย่างไรก็ตามครับเมลคีเสเดกนั้นไม่ เพียงแต่อยู่ก่อนอารอนแต่ยังเหนือกว่าอารอนเพราะว่าเขาไม่ตายเห็นไหมครับพี่น้องครับพี่น้องครับเวลาที่ผมอธิบายพระคัมภีร์นะครับพี่น้องต้องค่อยๆฟังนะครับอย่าด่วนสรุปว่าเมลเคีเสกคือพระเยซูพระเยซูคือเมลเคีเสกเพราะนี่เป็นทฤษฎีนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับพี่น้องดูในฮีบรูบทที่เจ็ดข้อที่สามเราเห็นนะครับว่าตําแหน่งปุรหิตของพระคริสต์นะครับที่พระคริสต์เป็นอยู่นั้นจึงเหนือกว่าตําแหน่งบุริต ของผู้ที่ตามอย่างอาโรนก็คือมากันคนละสายครับว่าอย่างนั้นนะครับสายมนุษย์เนี่ยโบรหิตมาทางอาโรนนะครับสายพระเยซูสายพระเมสสิยาเนี่ยนะครับโบรหิตมาทางเมลคีเสดนะครับเมื่อเข้าใจตรงนี้นะครับผมจะขอไปต่อในข้อที่เจ็ดในข้อที่เจ็ดนั้นผู้แต่งฮีบรูก็หันมาพูดถึงเรื่องความเป็นมนุษย์ของพระเยซูคริสต์นะ่ะท่านได้บันทึกอย่างนี้ครับไฟพระเยซูขณะเมื่อพระองค์ ดำรงอยู่ในเนื้อหนังนั้นพระองค์ได้ถวายคําอธิษฐานและทูลวิงวอนด้วยน้ําตาไหลคําว่าทูลวิงวอนด้วยน้ําตาไหลก็คือทรงกันแสงครับคือร้องไห้นะครับร้องไห้ต่อใครครับร้องไห้ต่อพระเจ้าผู้ทรงสามารถช่วยพระองค์ให้พ้นจากความตายได้และพระเจ้าได้ทรงสดับเพราะพระองค์นั้นได้ยําเกรงพี่น้องครับฉะนั้นไม่ต้งสงแสงครับว่านี่หมายถึงพระเยซูขณะที่อยู่ในสวนเกษษเนชเบนีนะครับ และบางทีก็อาจจะสื่อถึงช่วงเวลาอื่นๆที่องค์พระ้เจ้าของเราคือพระเยซูทีษษ่นั่นอาทิตย์ฉายด้วยน้ำตาไหลนะครับปรากฏอยู่ในพระธรมมัทธิวบทที่สิบเ้าข้อสี่สิบเอ็ดนะครับแต่สิ่งที่ถูกอ้างอิงมากกว่าก็คือว่าสวนเกตเสมานีนครับแน่นอนเราเห็นชัดเจนนะครับว่าความเป็นมนุษย์และหัวใจที่อ่อนโยนอ่อนแอของพระเยซูปรากฏครับนะหัวใจที่อ่อนแอหัวใจที่อ่อนโยนหัวใจที่เต็มไปด้วยความรัก หัวใจที่เห็นชัดเจนว่าเป็นมนุษย์เหมือนกับพวกเรานะครับมีพระทยเมตตากรุณานะครับต่อผู้ที่พระองคอธิษฐานเผื่อจริงๆนอกจากนี้นะครับเรายังเห็นความเป็นมนุษย์ของพระเยชูองค์พระเนเจ้าของเราอย่างชัดเจนมากขึ้นไปอีกเมื่อพระองค์อธิษฐานยิงวอนให้ถ้วยที่อยู่ต่อเบื้องพระพักพกระองค์ในชขวดนั้นผ่านพ้นพระองค์ไปเห็นไหมครับพี่น้องครับในความเป็นมนุษย์ของพระองค์ พรงย่อมมีความกลัวความตายครับแต่พระองค์ยำเกรงพระเจ้านะครับยำเกรงพระเจ้าความยำเกรงพระเจ้านั้นแปลตามตรงนะครับแปลตรงตามภาษาเดิมคือความเลื่อมใสศรัทธาในพระเจ้าพระองค์ก็ทรงฉดับคําอธิษฐานของพระเยซูพระเจ้าทรงฉดฟังอธิษฐานของพระเยซูโดยส่งทูตสวรรค์มาปนนิบัตพระองค์เข้าใจไครับในข้อที่แปด พูดต่อไปว่าถึงแม้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรพรงก็ทรงเรียนรู้ที่จะนอบน้อมยอมเชื่อฟังโดยความทุกข์ลำบากที่พระองค์ได้ทรงทนครับในความเจ็บปวดรวดร้าวในความกลัวนะครับพระองค์ก็นอบน้อมยอมฟังด้วยความเชื่อนะครับด้วยความเชื่อแสดงออกด้วยการเชื่อฟังนะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นนะครับว่าพระเยซูคริสผู้ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า ทรงเรียนรู้ที่จะยอมเชื่อฟังอย่างเต็มที่โดยกา ร, รเผชิญกับความตายนะครับโดยกา ร, รเผชิญกับความตายเมื่อเราดูนะครับว่าชีวิตของพระเยซูนั้นในอดีตการนะครับพรงทรงดำรงตำแหน่งก็คือเป็นผู้ที่อยู่กับพระบิดาเป็นพระเจ้าสภาพระแวดล้อมของพระองค์นะครับทุกอย่างนั้นก็ไม่มีการต่อต้าน ต่างก็ให้ความร่วมมือทั้งนั้นแต่ในสวนเกตเซมานีสภาวะแวดล้อมสถานการณ์โดยรวมเป็นปฏิบักษ์กับพระเยซูครับสภาวะแวดล้อมสถานการณ์โดยรวมในสวนเกตเสมานีเป็นปฏิบัติกับพระเยซูนะครับพระเจ้าจึงต้องส่งทูตสวรรค์มาปฏิบัติพระองค์และจุดประสงค์แห่งภารกิจของพระองค์ก็คือเจอกันกับต่ อ, ต, อ, ต, อต้านที่รุนแรงครับ ในความเป็นมนุษย์ของพระองค์พรงมีความกลัวพรงมีความโกลงกระวายเพราะองค์ความหวาดหวั่นท่านพึงต่อความตายที่พระองค์กำลังหลอกคอยอยู่เบื้องหน้าแต่ถึงกระนั้นก็ดีพระองค์ทรงเชื่อฟังพระพประสงค์ของพระบิดาครับเพียงครับผมอยากจะจบในที่นี้ก็คือว่าเมื่อเรานะครับถูกพระเจ้าเรียกเมื่อเราถูกพระเจ้าใช้แน่นอนครับเรามีอุปสรรคมีปัญหาต่างๆมากมายครับเรามีความกลัวบางคนมีความโกลงกวาย บางคนมีความหวาดหวั่นท่านพึงพีงพ่น้องครับให้เรามองที่ไอดอลของเราคือพระเยซูคริสต์ครับนะครับเมื่อพระเยซูได้รับการแต่งตั้งจากพระเจ้าแล้วนะครับสถานการ์แวดล้อมของโปร่งไม่เดินมิดครับสถานการแวดล้อมในสว น, นเกตเสมนเนนั้นเป็นการต่อต้านที่รุนแรงนะครับในความเป็นมนุษย์ของพระเยซูมีความกลัวนะครับเหมือ <ME> นกับเราครับมีความโกรธก็วายเหมือนกับเราครับมีความหวาดหวั่นท่านพึง ต่อสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเหมือนกับเราครับแต่ตอนนั้นก็ดีพระเยซูเชื่อฟังพระประสงค์ของพระบิดาเราเองก็เหมือนกันครับเราจะต้องเชื่อฟังพระประสงค์ของพระเจ้าอาเมน